มนุษย์กับเทวดาความสัมพันธ์ใด้ลาสมัยควรเลิกเสียเมื่อทราบฐานะของเทวดาแล้วพึงทราบความสัมพันธ์ที่ควรและไม่ควรระหว่างเทวดากับมนุษย์ต่อไปในลทัทธิศาสนาที่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเขาเชื่อว่ามีเทวดาใหญ่น้อยมากมายและมีเทพสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกและบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมนุษย์ ไม่มีทางจ ะ, จะเจริญเลิศล้ำกว่าเทพนั้นได้มนุษย์จึงสร้างความสัมพันธ์กับเทพด้วยวิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆเช่นสวดสรรเสริญยกย่องสะดุดีบวงสวงสังเวยบูชายันเป็นการปรนเปรอเอา อ, อกเอาใจหรือไม่ก็ใช้วิธีเรียกร้องความสนใจบีบบังคับให้เห็นใจเชิงร้าให้เกิดความร้อนใจจนเทพทนนิ่งอยู่ไม่ได้ ต้องหันมาดูแลหาทางแก้ไขหรือสนองความต้องการให้ทั้งนี้โดยใช้วิธีข่มขี่บีบคั้นลงโทษทรมานตนเองที่เรียกว่าประพฤติพรตและบำเพ็ญตบะต่างๆสรุปให้เห็นชัดถึงวิธีสัมพันธ์กับเทพเจ้าเป็นสองอย่างคือ 1. วิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือด้วยการเส้นสวงสังเวยบูชายันดังลูกอ้อนวอนขอต่อพ่อแม่ บางทีเลยเป็นดังประจบและแมติดสินบนต่อผู้มีอำนาจเหนือ 2. วิธีบีบบังคับให้ทำตามความประสงค์ด้วยการบำเพ็ญพรษธรรมตบะดังลูกที่ตีอกชกหัวกัดทึงตนเองเรียกร้องเชิงบีบบังคับให้พ่อแม่หันมาใส่ใจความประสงค์ของตนแต่จะเป็นวิธีใดก็ตามย่อมรวมลงในการมุ่งหวังผลประโยชน์แก่ตน ด้วยการพึ่งพาสิ่งภายนอกทั้งสิ้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็ได้สอนให้เลิกเสียทั้งสองวิธีและการเลิกวิธีปฏิบัติทั้งสองนี่แหละที่เป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ในการให้เลิกวิธีปฏิบัติเหล่านี้พระพุทธศาสนาสามารถแสดงเหตุผลชี้ให้เห็นคุณโทษระหว่างวิธีปฏิบัติที่สมควรให้ใหม่ด้วย หวังพึ่งพิงเทวดาได้ผลนิดหน่อยแต่เกิดโทษมากมายการหวังพึ่งเทวดาย่อมมีผลในขอบเขตจำกัดหรือมีจุดติดตันอย่างเดียวกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์คือในทางปัญญาเทวดาทั่วๆไปก็ยังมีอวิชชาไม่รู้สัจธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ดังเรื่องพระภิกษุที่หอไปถามปัญหากับเทวดา จนแม้แต่พระพรหมก็ตอบไม่ได้แล้วเรื่องพระพุทธเจ้าทรมานพระพรหมนามว่าพระกะในพระกัสูตรเป็นต้นส่วนในด้านจิตใจเทวดาก็เหมือนกับมนุษย์คือส่วนใหญ่เป็นปูถุชนยังมีกิเลสมีเชื้อความทุกข์มากบ้างน้อยบ้างยังหมุนเวียนขึ้นขึ้นลงๆอยู่ในสังสารวัฏดังเช่นพระพรหมแม้จะมีคุณธรรมสูง แต่ก็ยังประมาทเมาว่าตนอยู่เที่ยงแท้นิรันพระอินเมาประมาทในทิพยสมบัติคนอื่นหวังพึ่งพระอินแต่พระอินเองยังไม่หมดราคาโทสะโมหะยังมีความหวาดกลัวสะดุ้งหวั่นไหวการอ้อนวอนหวังพึ่งเทวดานอกจากขัดกับความเพียรพยายามโดยหวังผลสำเร็จจากการกระทาขัดหลักพึ่งตนเองและความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดังเด็กล่าวในเรื่องอิทธิปฏิหารแล้วยังมีผลเสียที่ควรสังเกตอีกหลายอย่างเช่นในเมื่อเทวดาเป็นปูถุชนการที่มนุษย์ไปเฝ้าประจบยกยอบนบานต่างๆไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะประสบผลเสียเทวดาทั้งหลายก็จะพลอยเสียไปด้วยเพราะจะเกิดความหลงไหลมัวเมาในคำยกยอสรรเสริญติดนิราบสการะคือสิ่งเส้นสวงสังเวย และปรารถนาจะได้ให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยในยะนี้เทวดาและมนุษย์ต่างก็มัวมาฝักใฝ่วุ่นวายอยู่กับการบนบานและการให้ผลตามบนบานละทิ้งกิจหน้าที่ของตนหรือไม่ก็ปล่อยปละละเลยให้บกพร่องย่อหย่อนเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาทแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาก็พากันเสื่อมลงไปด้วยกัน เทวดาบางพวกเมื่อมัวเมาติดในลาบสการะความยกย่องนับถือแล้วก็จะหาทางผูกมัดหมู่ชนไว้กับตนโดยหาทางทำให้คนต้องพึ่งเขาอยู่เรื่อยไปเพื่อผลนี้เทวดาอาจใช้วิธีการต่างๆเช่นล่อด้วยความสำเร็จสมปรารถนาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนหวังผลมากยิ่งขึ้นและบนบานเส้นสวงมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่แกล้งทำเหตุ ให้คนต้องมาติดต่อขอผลถลำตนเข้าสู่วงการเมื่อเทวดาประเภทหวังลาบมาวุ่นวายกันอยู่มากเทวดาดีที่จะช่วยเหลือคนดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ก็จะพากันเบื่อหน่ายหลบลีบหลีกตัวออกไปคนที่ทำดีก็ไม่มีใครจะคอยช่วยเหลือให้กำลังฝ่ายเทวดาฝ่ายลาบก็จะช่วยต่อเมื่อได้รับสิ่งบน หรืออย่างน้อยคำขอร้องอ้อนวอนมนุษย์ก็เลยรู้สึกกันมากขึ้นเหมือนว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วจึงจะได้ดีก่อให้เกิดความสับสนรสำรส า, ายในสังคมมนุษย์มากยิ่งขึ้นเมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไม่เกี่ยวข้องซึ่งตามปกติธรรมเนียมของเทวดาก็ไม่ต้องการมาเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือแทรกแซงในกิจการของมนุษย์อยู่แล้ว และเพราะโลกมนุษย์ก็ไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นที่รังเกียจแก่เทวดาด้วยเรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นโอกาสสำหรับเทวดาร้ายไฝ่าลาบจะสแสวงหาผลประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นเช่นเมื่อมนุษย์อ้อนวอนเรียกร้องเจาะจงต่อเทพบางท่านที่เขานับถือเทพไฝ่าลาบพวกนี้ก็จะลงมาโสมรอยรับสมอ้างหลอกมนุษย์โดยมนุษย์ไม่อาจทราบเพราะเป็นเรื่องเหนือวิสัยของตน แล้วเทวดาสวมรอยก็ทำเรื่องให้พวกมนุษย์หมกมุ่นมัวเมายิ่งขึ้นโดยในยะนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีและคนดีก็ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาที่เป็นเช่นนี้เพราะทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็เป็นปุถุชนและต่างก็ปฏิบัติผิด พากันทำให้ระบบต่างๆที่ดีงามในโลกคลาดเคลื่อนเสื่อมสามลงไป